คฟังที่ครพคัะ น, นี่คือรายการ ส, นสนัสนิษฐานนะคะช่วงเวลาของเราก็จะอยู่เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงช่วงเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งเช้าตรู่ของทุ่นจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตอนนี้ก็มาสู่ช่วงเวลาที่สองที่ท่านกำลังจะได้พบกับพระภัยบุตรอภิปุโนซึ่งจะมาให้ท่านได้เข้าใจได้เข้าถึงพุททวจนะกันมากยิ่งขึ้นในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะนะคะ นักสการ์กท่านคะเชนพรค่ะเป็นเป็นวันแรกของหลังกระถิ่นถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะช่วงกระถิ่นก็จะมีผู้คนที่มาบ้างแต่แต่ผู้ที่ประสบภัยจากน้ําท่วมก็จะไม่ได้มาใช่ไหมแต่ว่าถึงจะมาหรือไม่มาเนี่ยคือคือการที่ถวายทานก็ได้บุญแหละค่ะอจะฝากหนุ่มหนุ่มาว่ามายังไงก็ได้เนาะค่ะ อนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทําบุญด้วยก็แล้วกันโดยเฉพาะคงจะมีผู้ที่ฟังรายการนี้จํานวนอยู่ไม่น้อยอนะคะเนื่องจากว่าก็ได้ไปค้าสมพันธ์กันต่อเนื่องเป็นประจําท่านไปบุญคะ่ะไปบานก่อนที่จะมาบันทึกรายการเนี่ยท่านได้มีโอกาสเปิดดูภาพในอดีตอของน้ําท่วมมากๆในกรุงเทพมหานครซึ่งมีปี2526 กับสองพันห้าร้อยสามสิบแปดก็เรียกว่าฉ่ำน้ำมันอยู่เป็นเวลาสองเดือนอก็แปลว่าปรากฏการณ์ในลักษณะนี้มันก็เกิดขึ้นซ้ำๆเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะทิ้งช่วงหนาใช่แล้วคือแต่ละครั้งที่มันเกิดเนี่ยมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นนะ <c oughs> เ พ, พระาะว่าอย่างปีสองหกเนี่ยเราก็อาเราประสบปัญหาใช่ไหมจากปีสองหกมาถึงสามแปดเราก็เตรียมการป้องกันต่าง เพรา ะ, ะนั้นไอ้ที่ระดับเดิมเนี่ยมันไม่ท่วมแล้วมันมไปท่วมเกินที่เราป้องกันเอาไว้ไอ้ตอนจากปีสองหกถึงสามแปดใช่ไหมเราก็เตรียมการสร้างเขื่อนทําล่องน้ำอะไรต่างๆใช่ไหมเพื่อป้องกันไม่ให้แบบปีสองหกเกิดขึ้นแต่มันแรงกว่าเดิมใช่ไหมไอ้ที่สองเจ็ดสองแปดเนี่ยอาจจะมีแบบสองหกบ้างแต่เราป้องกันได้เลยไม่มีข่าวพอมาถึงหนักเกินเนี่ยมันก็เลยออกมาปูดขึ้นมาเป็นหนักขึ้นมากว่าเดิมอีกก็เหมือนปีนี้แหละ <laughs> นะเอ่อถ้าจะถามว่า อันนี้คือเรื่องของธรรมชาติล้วนๆอืมใช่ท่านบอกใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามองในประเด็นธรรมในปรากฏการที่มันเกิดซ้ำๆอย่างนี้เหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยคะ่ะบางทีทำความไม่ดีเนี่ยเราจะจะจำง่ายกว่าทำความดีเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้มันทำผิดซ้ำๆจะอธิบายอย่างไรดีคะคือมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะ เหมือนว่าบางคนอาจจะบอกว่าไอ้นี่เป็นความผิดของมนุษย์เปิดเกินปิดเกินอะไรต่างๆนี่นะแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอะ่ะคนคือสมองของคนเราเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะลืมบ้างอะไรบ้างเนี่ยธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะ้ไอ้เรื่องการเปิดปิดเราจะไปให้อยู่ในความควบคุมของสิ่งเหล่านี้มันว่ามันไ ม, ไม่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดซ้ําๆมันต้องเกิดซ้ําๆแน่นอนความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เห็นอยู่ตลอดเวลา แต่ที่ประเด็นที่พุทธเจาพูดถึงเนี่ยก็คือว่าเอาในเมื่อคุณรู้แลวอยู่แล้วว่ามันจะมีปัญหาเกิดเราควรจะทำยังไงเมื่อมีปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วเราจะยังเป็นผู้ผาสุกอยู่ได้นี่คือทางออกที่พุทธเจานำเสน อ, เ, อเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากเลยคือมันเกิดแน่นอ น, นแต่เวลาไหนเท่านั้นเองก็เวลาไหนก็เวลานั้นถ้ามันมาถึงเรานะเราจะทำยังไงให้เรายังผาสุขอยู่ได้อ๋อค่ะดฉัน ระยะเนี้ยบางวันก็ใช้แท็กซี่นะคะต้องต้องบอกว่าใช้บ่อยเลยเนื่องจากว่าการที่เราจะเอารถไปเสี่ยงว่าไปกลางทางแล้วเจอน้ําสูงกลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะพา ก, กันเอารถไปจอดที่อื่นกันซะเยอะวันที่สูงวันนึงก็ได้พบ ก, กับคนขับแท็กซี่ซึ่งพอขึ้นรถไปไม่สบายใจเลยลักษณะเขาดูน่ากลัวนะคะคือการแต่งตัวของเขาเนี่ยก็ไม่เรียบร้อย แล้วก็หน้าตาก็ไม่ดีแล้วแถมยังคนเราเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆมันแววตาไม่ค่อยไว้ใจนั่งไปก็ระแวงไปสักพักหนึ่งไปเดี๋ยวเขาบอกว่าน้ำท่วมเยอะนะเขาไปแถวที่น้ำท่วมมา ก, มากๆลัตะนาทิเบตไปเจอผู้หญิงคนหนึง่งมากับคนในครอบครัวประมาณห้าคนหน้าตาน่าสงสารท่าถาง น, น่าสงสารแต่ดูเป็นคนรวยนะครับมผมก็เลยรับขึ้นรถระหว่างขึ้นรถมาเนี่ย นะพวกเขามีกลิ่นนะครับคือเหมือนกับคงจะติดน้ำติดนานอะไรเงี้ยนะคะ uh huh. ผมก็พาเขาไปส่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่มีใครยอมรับเขา uh huh. ให้พ้นไปจากสภาพแวดล้อมที่น้าท่วมอยู่ตรงนั้นนะคะพ uh huh. อไปส่งปลายทางเสร็จบอกผมก็สงสารผมเลยไม่คิดสตางเขา uh huh. แล้วก็พูดต่ออีกว่าการที่ตอนนั้นน้ำมัน เพิ่งเข้าคลองประปาที่กรุงเทพมันนะคะเขาบอกว่ามผมว่านะความจริงแล้วคนกรุงเทพต้องเข้าใจคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาแช่น้ำมานานแล้ว ม, ม, มันเหมือนกับเมื่อวันที่น้ำมาถึงกรุงเทพต้องระบายออกเนี่ยเราร่วมทุกร่วมสุขกันพูดประมาณแบบนี้ค่ะวอนที่ฉันมีความรู้สึกดีกับเขามากเลยก็รู้สึกว่าคนเราเนี่ยหน้าตามไม่ได้สาคัญาสาคัญที่ ใช่ ใ, ชใช่่แล้วอันนี้จะเป็นกิตยศของเราอะนะกิตยศของบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยคือความที่เขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจิตอย่างนี้เป็นจิตที่มีสมาธินะคุณโยมถิว๋ว ห, หรือว่าเวลาที่อยู่ในสถานการณ์แล้วเนี่ยยังรวบรวมตัวเองตั้งอยู่ได้นะไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระร่างกระเดีองไม่แสดงความโกรธความขัดเกงความไม่พอใจให้ปรากฏนะหรือว่าก็ไม่ ร่ำให้คร่าครวญทุปกชกตัวถึงความเป็นปุ้งงินงงคลั่งเพลออันนี้ไม่เป็นถ้าไม่เป็นสองอย่างนี้นะยังอยู่มีจิตที่รวบรวมตัวเองอยู่ได้นะช่วยเหลือการอะไรเป็นคุณธรรมชั้นทําเนี่ยอันนี้เป็นจิตที่มีกำลังคนจะมีสมาธิหรือไม่เนี่ยพระพุทธชาให้ดูตรงนี้เวลาที่ตกอยู่ในสถานการณ์อ๋อคอือหมายถึงว่า จะวัดสมาธิของคนเหรอคะใให้วัดตรงที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติตูกต้องสถานการณ์ที่มีความเสื่อมไปแห่งลาบความเสื่อมไปแห่งยศชื่อเสียงเงินทองหายไปอย่างนี้แล้วก็ถูกวาจาที่ไม่พอใจกระทบนี่ภัยธรรมชาตินี่เป็นภัยอันหนึ่งที่เป็นสถานการณ์นี้เลยนะแล้วก็คุณยังรวบรวมตัวเองอยู่ได้ไหมยังจิตไม่แตกไหมนี่แหละคือคนที่จิตมีกำลัง จิตแตกมันก็ได้ยินน ะ, นะคะได้ยินแต่สติแตกแบบมันเหมือนกันไหมครับท่านคะเพราะว่าจิตเป็นที่เล่นไปสู่สติไงถ้าจิตจิตแตกแล้วสติก็แตกแน่ทีนี้มันจะแตกไล่เป็นลําดับอย่างนี้คุณยมติวคือสมมติอินรีเนี่ยพรุทธเจ้าบอกอินรีย์เป็นที่เล่นไปสู่จิตใช่ไหมคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันจะรวมกันเป็นรู้ที่จิตสมมติหูเราได้ยินเสียง จิตเราก็ต้องเข้าไปรับรู้ตาเราเห็นรูปจิตเราก็ต้องเข้าไปรับรู้ <คะ S 1> เพราะฉะนั้นอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเนี่ยมันจะพุ่งไปสู่จิตจิตเนี่ยถ้าเราไม่มีกําลังจิตก็จะไม่สามารถรวบรวมตัวเองอยู่ได้สติก็สจิตเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่สติเพรา ะ, ะนั้นพอจิตแตกสติก็แตกนะพอสติแตกสติเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติคุณก็ไม่มีทางเห็นวิมุติเลยแตกไปหมดอ๋อค่ะ แม้ท่านพูดแบบนี้คนที่เคยมีประสบการณ์คล้ายๆสติแตกในชักรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะคะเหมือนกับว่าอ้าวอนาคตเราจะไม่มีโอกาสที่จะที่จะมีจิต ท, ที่มีสมาธิ<อ>าบรรลุธรรมหรือจิตแตกสติแตกเนี่ยเป็นแค่ขณะนั้นไงอ๋อค่ะเป็นแค่ขณะจิตนั้นสมมุติว่าอาจมาฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจหรือได้รับข่าวที่กระเทือนใจมากๆในะอินทรีย์ตรงนี้เนี่ยมันจะมาฉีกจิตของเรา <น> <Okay. S 1> คือพระพเจ้าใช้คําว่าฉีกออกคือเหมือนกับถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยขย้ฉีกจิตให้ขาดกระเด็นออกไปนะเพราะฉะนั้นพอจิตได้รับข่าวไม่ดีจิตถูกกระแทกตู้มเข้าไปเนี่ยนะขาดละกระเด็นละตายละ <Okay. S 1> นะนี่คือในขณะจิตนั้นแล้วก็ <Okay. S 1> สติก็ไม่เหลือละ่ะเพราะฉะนั้นทำไม่ต้องพูดถึงไม่เห็นทีนี้ว่าถ้าเรามีจิตที่มีกําลังเนี่ย เ, เราก็รวบรวมตัวเองขึ้นมาใหม่ในะอย่างพระอาหารหันต์ก็ตามเนี่ย ตอนที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นที่พระพุทธเจ้ากําลังปรินิพานบุคคลที่เป็นอาญาบุคคลขึ้นไปตั้งแต่โสดาสกิธานะคะเป็นพระรัตน์เนี่ยก็ยังต้องรวบรวมสติอดกลั้นอยู่ได้แต่ต้องรวบรวมสติค<ะ>่ะ เ, เพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะเป็นตัวรักษาจิตมันจะย้อนกลับมาตรงนี้ไงสมมุติว่าอินทรีย์เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมจิตเราแตกแล้แตกแล้วสติเราก็จะแตกเพราะฉะนั้นเราต้องรวบรวมสติ รวมสติเพื่อให้รักษาจิตรักษาจิตก็เป็นการรักษาอินทรีย์ย้อนกลับไปอย่างนี้อ๋อดังนั้นไม่ต้องตกใจใครที่มีประสบการณ์เคยสติแตกบางคนบอกว่ามันก็แตกบ่อยเหมือนกันนะคะ <c oughs> แตกแล้วแตกเลยหายไป <c oughs> ถ้าพ้นช่วงนั้นมันก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่ของการที่จะทําให้อินทรีย์แล่นไปสู่จิตจิตแล่นไปสู่สติที่มีสมาธิใช่ คือสติแตกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยนะ <Okay. S 1> คือในกรณีนี้เอาแค่เราโกรธขึ้นมาก็ชื่อว่าสติแตกแล้วเราไหลไปตามโฆษณาอะไรต่างๆนี่ก็ชื่อว่าสติแตกและแต่เพเราไม่สามารถรวมรวมตัวเองอยู่ได้แตกนี่คือคือกระจัดกระจายนะจะแตกมากแตกน้อยนี่ก็มีระดับนะเราก็มันไม่ใช่ว่าแตกแล้วคือไม่สามารถซ่อมได้ไม่ใช่ไม่ <Okay. S 1> งั้นคนที่ไม่ดีมันจะเป็นคนดีขึ้นมาได้ยังไง ใช่ไหม ม, มันส า, สามารถแก้ไขได้ตรงนี้เราก็ค่อยแก้ไขไปเพียงแต่ว่าทำความเข้าใจให้ได้ก็แล้วกันว่ า, าจิตจิตที่สามารถตั้งสติในเวลาภัยมามในเวลามีวิกฤตแห่งความเสื่อมทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าสรรเสริญถูกไหมคะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าผู้นี้เป็นมีสมาธิเีจิตที่มีกำลังอ๋อค่ะ และจิต ท, ที่มีกำลังฝึกได้ไหมคะฝึกได้แน่นอนฝึกเนี่ยโดยการที่เรามีสติสํารวมอินทรีย์จิตจะมีกำลังหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าเวลาที่มีอะไรมากระทบแล้วเราอดทนนะครูชาบอกว่าบุคคลที่จะสามารถเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองเป็นจิต ท, ที่สามารถเข้าสู่สมาสมาธิได้ง่ายนะคือบุคคลที่มีความอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วก็ไม่มีเวลาไหนคุณโยมติ๋วที่เขาจะมาทดสอบความอดทนของเราเหมือนกับตอนที่เราอยู่ตอนนี้นะคนที่เท้าเปียกอยู่คนที่ทรัพถูกพัดพาไปเนี่ยก็จะต้องมีความอดทนมากทีเดียวเป็นคุณธรรมที่ควรยกย่องสรรเสริญความอดทนเนี่ยจะทำให้เรางดงามได้พุทธวงน้ความอดทนแล้วก็ความคันติและโศรกคือการอดทนแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะนะ ะจะจะทําให้ยังไงนะคะจะทําให้ใหเป็นผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญ ง, งดงามเป็นผู้<อ>งดงามอย่างพระภิกษุเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องพระภิกษุบอกว่าถ้าเธอมีคุณสมบัติสองอย่างนะคือขันติและสดาจะนะคือความอดทนและความสงบสงเงี่ยมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่งดงามอยู่ในธรรมะวินัยนี้เพราะฉะนั้นภัยอะไรจะมาเนี่ยนะอะบ้านเมืองจะไม่สวยแรงต่างแ ต, แต่ถ้าจิตใจคนงามนะจิตคนโคนงามเนี่ยโอ้ดีมากๆ อในที่นี้ก็คือว่ามีขันติความอดทนมีความสงบส ง, เงีเหมคือโสระจักะอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นเขาเป็นเราก็ยังเห็นอยู่นะอตอนช่วงที่เขาประสบภัยธรรมชาตินะค่ะ อ, อันนั้นเป็นเรื่องที่ทึ่งกันไปทั้งโลกใช่คือดูเหมือนกับว่าเออสถานการณ์ขนาดนี้ทําไมภาพที่เราเห็นมีคนจํานวนมากทีเดียวแล้วส่วนใหญ่ด้วยเป็นเช่นนั้นอืมนะคะก็คือ สงบที่ท่านว่าคือมีโซรจ่าเลยนะสงบสงี่ยมถูกต้องโซรจ่าสงบสงี่ยมค่ะแต่ว่าในสถานการณ์วิกฤตอาการสงบที่มาทดแทนได้อาจจะไม่ถึงสงี่ยมไปอธิบายคือขออภัยนะคะท่านคือเหมือสงี่ยมนบางทีคนเขาจะอธิบายว่าเหมือนกับเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสงบท้วนๆก็อ่าหน้าที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์นี้ท่านคะทีนี้พูดถึงคนที่ประสบกับเหตุการณ์อย่างนั้น แล้วก็อาจจะกํบบาลังเท้าแช่น้ําอยู่พื้นเย็นๆอยู่น้ํามันมาแตะชั้นสองแล้วไม่มีพ <c oughs> ี่ไปอะไรอย่างนี้ น, นะคะ <c oughs> มันก็อดไม่ได้ที่จะหดหู่แต่ว่าไม่ได้อ่าเขาเรียกโวยวายชนิดที่เรียกว่าสติแตกซะทีเดียวเพียงแต่จะให้เป็นอย่างที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่มีความอดทนมีความสงบเนี่ย เป็นผู้ที่มีอะไรนะ่างดงามงดงามอยู่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะ เ, เราจะสามารถพลิกความหดหูห่ท้อแท้ด้วยด้วยการบอกตัวเองให้อดทนอย่างเดียวหรือหรือมีวิธีทำอย่างไรนะมันก็มีอยู่หลายวิธีค่ะผูเ้เช้าเคยพูดถึงจิตที่หดหู่เนี่ย จิตที่หดหูเนี่ยถ้าเราไปยิ่งยิ่งทําจิตให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสมาธิหรือว่าเจริญอุเบกขานะหรือว่าทําความสงบระ ง, งับเนี่ยยิ่งจะทำให้ไม่สามารถตั้งจิตไว้ได้คือจิตก็จะยิ่งหดหูลงไปนะแต่ถ้าจิตที่หดหูเนี่ยสามารถที่จะให้ตั้งขึ้นได้นะด้วยสิ่งที่เรียกว่าข้อที่1คือธรรมะวิจัยนะคือวิจัยใครครวนธรรมะหาเรื่องมาคิด ในะเรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยนี่ข้อที่1ข้อที่2องนะให้มีปิติในะให้มีปิติแบบคือนึกถึงสิ่งที่ดีที่ผ่านมาทําให้จิตเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจแล้วข้อที่3ก็ให้มีความเพียรในนะความเพียรในที่นี้ก็ทําไปนั่นทําไปนี่นะเอากิเลสออกจากจิตเพียรที่จะละกิเลสเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ลักษณะของเวลาสารการปกติอะนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีของอย่างน้ําท่วมเนี่ยจิตเอาโคทูทำไงคุณอย่าไปนั่งเศร้าคนเดียว นะอย่าไปสงบนิ่งอยู่ตามมุมตามซอกของบ้านอย่าทําอย่างนั้นเม่งัมันจะไม่สามารถตั้งจิตของเราได้นะเราต้องรีบออกไปทําความเพียรนะช่วยคนนู้นช่วยคนนี้อันนี้ข้อที่1ข้อที่สองอคุณจะต้องอใกล้ครวนทำนะฟังธรรมะอย่าไปดูมากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะมาฟังธรรมใกล้ครวนทำฟังธรรมะเนี่ยจะยิ่งดนะีแล้วก็ข้อที่3นี่ก็ให้นึกถึงสิ่งที่ดีๆทําให้จิตของเรามีปีติ มีความอิมบ์ใจความสบายใจทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ทําอย่างนี้ได้นะคุณโยมติวเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีสติมีสติรวบรวมใจให้ได้ อ, อ๋อฉันหดหูแล้วฉันรู้ละโอเคต้องแก้ยังไงทําต่อไปอย่างนี้อืมนะคะวิธีแก้หดหูตามแบบพระพุทธเจ้าต่อสู้กับสถานการณ์นี้ด้วยความเพียรใช่อันนี้เปฉันตอบได้ใช่ไหมคะต อ, ออกไปค้นคว้าช่วยตัวเองช่วยคนคนู้คนนี้แล้วก็ ใ, ในระหว่างนั้น ใคร i i ควรจะที่ยกตัวอย่างนะคะเราย้อนไปเห็นภาพเมื่อปีสองหกสามแปดที่ตอนขึ้นต้นรายการว่าน้ํามันเคยท่วมกรุงเทพอยู่นานแสดงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะหรือว่าใครควรทำไหมคะแล้วก็มาสุดท้ายก็นึกถึงอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราอิ่มเอิบใจนะคะว่าอย่างไรเสียชีวิตที่ผ่านมามันเคยทุกข์มากแล้วมันก็เคยสุขมากมันคงจะสุขอีกอย่างนี้คิดแล้วฟุ้งไหยคะ เป็นทำให้ปีติได้ไมั้ยคะไม่ใช่อันนี้นคือเป็นการคาดหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่นึกแล้วปีติต้องนึกแบบอื่นใช่คือนึกที่ทำให้จิตไม่มีการปยาบาัติเปยดเบียนลักษณะนั้นค่ะนะคะ วันนี้นี่แบบพยายามคั้นกะทิให้ได้มากที่สุดใช้เวลาเต็มเหยียดเลยค่ะท่านคุณตูนคะเกินมาสการขอบพคุณมากนะคะส่วนท่านหวัางที่ครบที่กำลังฟังรายการนี้สันนีสนทนาดิฉันสันนหน้าคง FM106 มสถานีที่เสนอเราติดตามรับฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะคะพุทธสวัสดีค่ะ